เรื่อเราศึกษากันมาพอสมควรนะแล้วก็เห็นพัฒนาการของตัวเองเป็นหลักของธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเองย้อนเข้ามาโอปะนะยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเรานี่เองมาเรียนรู้มันถ้าเราเรียนรู้กายรู้ใจถึงจุดหนึ่งจิตมันจะคลายความยึดถือ ในกายในใจมันยึดไปไม่ลงร่กายนี้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษใจไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะใครความยึดถือออกถ้าเราไม่ยึดกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายเราไม่ยึดจิตใจนะเราจะไม่ทุกข์เพราะใจถ้ามันไม่ยึดถึงใจได้นะจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกนั่นเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดในโลกอีกคำสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผล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 เป็นช่วงว่างจากพระพุทธศาสนานานๆก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสลุใหม่ก็เอาธรรมะของเดิมมาประกาศอีกก็เรียนแต่ธรรมะของเก่าก็าเรียนเรื่องอะไรธรรมะก็เรียนเรื่องอริยสัจครบกลุ่มธรรมะทั้งหมดไว้แล้วถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพ้นจากวัตฏะที่น่ากลัวนี้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 เดี๋ยวเรามองคนทั่วๆไปมันดูได้แค่นี้ก็เลยกลัวตายแต่ถ้าคนมีหูมีตานะีรู้ว่าตายแล้วมันเกิดสิ่งที่น่ากลัวกว่าตายคือเกิดจะกลัวเกิดนะตายไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าถึงไงก็ตายกลัวมันก็ต้องตายเรากลัวความเกิดกันทำไมใจถึงเกิดตัวเนี้ยตัวสำคัญพระเจ้ารู้ว่าทำไมมันต้องเกิดอีก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 ยึดถือเอาร่างกายยึดถือเอาจิตใจมาความทุกข์มันก็เข้ามาสู่ใจเลยมันมาได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันกระบวนการนะเราเวลากระทบอารมณ์เกิดสุขเราก็ยินดีก็ยินดีก็อยากมีอยากได้อยากเป็นก็อยากขึ้นมาก็ดิ้นรนใจก็ดิ้นรนใจดิ้นรนใจก็ยึดถือนะเวลาอารมณ์มากระทบ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 เมื่อเราทำเหตุก็คือเรามีตัณหาไปแล้วตัณหาเป็นเหตุความอยากเป็นเหตุมีความทุกข์เป็นผลเมื่อไรเกิดความอยากขึ้นมาแล้วความทุกข์ต้องตามมาแน่นอนอันนี้ห้ามไม่ได้แล้วต้องชดใช้นะเรียกว่าทำกรรมแล้วต้องชดใช้แล้วงั้นจะช่วงที่จะไม่ต้องมาทุกข์นะก็คือสติเต้าเร็วรตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์ก ถ, กถ้ารู้ทันนะจะไม่ปรุง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 แต่ถ้าช้าสติปัญญาช้าจิตเกิดความอยากซะแล้วอันนี้ต้องยอมรับแนละว่าทุกแน่นอนต้องชดใช้ใช้นี้ล้เท่านี้นะงนะันอยู่ที่เราฝึกยิ่งฝึกได้เร็วสติเราเร็วเท่าไหร่ความทุกข์ในใจเราก็จะขาดสะบ้านลงเร็วเท่านั้นอันนี้เป็นการที่ความทุกข์ขาดไปเพราะเรามีสติรู้ทันนะอาศัยสติรู้ทันให้ไวๆ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 เมื่อไรมีสติก็เอาตัวรอดได้เมื่อไรขาดสตินะกิเลยก็มาครอบใจเราอีกปัญหาก็เกิดความที่นิรนของใจก็เกิดการยึดถือในกายในใจก็เกิดเป็นลําดับลําดับเพะฉนั้นการจะมาต่อสู้ด้วยสติเนะี่ยยังไม่ใช่แก้ปัญหาถาวรจะแก้ปัญหาถาวรได้ต้องสู้ด้วยปัญญาแต่เบื้องต้นต้องอาศัยสติไปก่อนถ้าไม่มีสติจะไม่มีปัญญานะการที่จะมีปัญญานะั้นทำอะไร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 เรเห็นว่าตัวสุขตัวทุกข์อะไรเนี่ยไม่เที่ยงตัวสุขตัวทุกข์เป็นอนัตตาที่มาของตัวสุขตัวทุกข์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเอนะต่อไปพอเราฝึกมากเข้ามากข่าขยายความรับรู้ออกไปก็เห็นอีกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมันรับรู้อารมณ์ได้เพราะใจเพราะจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายจะลำพังมีแต่ร่างกายยังไม่มีการรับรู้ต้องมีจิตเข้าไปรับรู้ด้วย มีจิตไปดูก็ได้เห็นรูปโดยผ่านทางตามีจิตไปฟังนะเลยได้ยินเสียงโดยผ่านทางหูตาหูจมูกลิ้นกายมีแค่เครื่องมือทำให้จิตไปกระทบอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมได้เจะเห็นการทำงานของมันเรื่อยๆโอ้เพราะอายตนะนี่เองก็เลยมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเเกิดการกระทบอารมณ์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 ได้กลิ่นได้รสต้องได้ยินอะไรเนี่ยเป็นภาระของจิตไปเห็นบ้างยังแสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอนาคานะเนี <c> ่ย <oughs> เป็นภาระมากเลยนะไกยนี่เป็นภาระเป็นภาระมากแต่ถ้าไม่ใช่ตาหูจมกูกลิ้นไก่ร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยพวกเราเห็นไหมเป็นภาระเออย่างร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยเห็นเป็นภาระยังมองภาพรวมๆนะ แต่ก็ยังดีเห็นว่าร่างกายเป็นภาระตั้งแต่หัวถึงเทา้าภาระเยอะไหมวันหนึ่งทำอะไรกับผมบ้างเฉพาะผมหวีผม้ยย้อมผมสระผมดัดผมผมนิ่มทำให้แข็งผมแข็งทำให้นิ่มออผมตรงทำให้หยิกผมหยิกทำให้ตรง่าภาระเยอะนะผมดำด ำ, ดำทำให้เป็นสีสออีผมขาวก็ย้อมให้ดำเ อ, อ้ามายุ่งชะมัดเลย หรือผมเหม็นสาบต้องไปสะผมสะผมแล้วต้องไปทำอะไรทำให้แห้งเอาใดเป่าเอาใดเป่าแล้วผมกรอบไปหาน้ำมันมาใส่เนะพ ร, ะราะภาระต่อเนื่องเยอะนะเนี่ยทรงนี้ละ ว, วิเศษที่สุดเลยเมื <c oughs> <c oughs> ่อก่อนหลงพ่อผมยาวอย่างพวกเรานะรู้สึกภาระราเยอะชะมัดเลยนะพอโผนได้แนละ้วโอยมีความสุขนะมีความสุข นี่ยังนึกอยู่นะเมื่อไหร่จะหัวล้านให้หมดนะไม่ต้องกลัวยิ่งโมสบายมากเลยนะพวกเรากลัวหัวล้านไหมกลัวหลวงพ่อเนี่ยไฟฝันนะถ้าหัวล้านไม่มีผมสักเส้นเนจะดีใจมากเลยไม่ต้องกลัวหัวนะแค่โกนหัวยังมีภาระเลยนะคนไทยนะั้นภาษาก็แปลกนะกนหัวก็ได้ใช่ไหมกลัวผมก็ได้รู้เรื่องใช่ไหมแต่ตัดหัวก็ตัดผมไม่เหมือนกันนะนะ ภาษาของเราเนี่ยสุดยอดเลยฝรั่งน่นงงเนี่ยแค่หัวอย่างเดียวแค่ผมอย่างเดียวก็ภาระเยอะนะถึงเทา้าอเล็บเท้ามีภาระไหมต้องทำอะไรบ้างต้องตัดเล็บต้องทำอะไรต้องขัดะล้วโอ๊โอยเยอะแยะบางคนทาสีด้วยทาสีย้อมสีบางคนติดเพชรติดพลอยด้วยนะภาระเยอะนะถ้าแต่หัวถึงเท้าเนี่ย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 จะทำลายอวิชชานะอริยสัจก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธนะเจริญมรรครู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุ ท, ทยัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรครู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์หน้าที่ต่อสมุ ท, ทยัยหน้าที่ต่อนิโรธหน้าที่ต่อมรรคเป็นยังไงนี่เรียกว่าเป็นวิชานะงั้นพวกเราต้องพาวาจนวันหนึ่งวิชาเกิดนะวิชาเกิดก็คือเราเห็นแจ้งเลยในกองทุกข์ว่าขันทั้งหลายเป็นกองทุกข์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 รู้ทุกข์ล้างสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอรัตมรรคในขณะจิตเดียวนะถึงมรรคลองหองลงมาก็เหมือนกันแต่ว่าปัญญาจะไม่แจ่มแจ้งในกองทุกเท่าขั้นสุดท้ายนี้นะขั้นโสดาเก็มีปัญญาระดับพระโสดานะสกทาคาพระนาคามีปัญญาเป็นลาดับไปนะขั้นสุดท้ายนะปัญญาเห็นแจ้งในกองทุกล้างอาวิชชาเงั้นพระโสดาสกทาคาพระนาคายังมีอวิชชาอยูนะ่ยังไม่แจ้งในกองทุก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 ท่านบอกท่านสุขแท้นอเราเดินได้เราทุกข์แท้นอ oh. <laughs> ไม่เหมือนอย่างท่านนะเห็นท่านแล้วโอ้เมื่อไหรเราจะสะอาดอย่างท่านนะร่างกายท่านสบักสบอมนะี่ยใจท่านงามครูบาอาจารย์แต่ละองคนะ์แต่ละองค์ทั้นงามในนี้ก็มีหลายองค์ที่งามงามที่สุดองไหนพระพุทธเจ้างามนะงามเหมือนพระพุทธเจ้าก็คือพวกพระละหันสาวกทั้งหลาย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 ถ้าฟังเทศฟังธรรมสักขนาดนี้ยังมืดเหมือนเดิมแล้วก็แต่ไม่ต้องกลัวนะบัวมีหลายเหล่ายังมือดอยู่ก็ทนฟังไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งมันก็พ้นน้ำจนได้แหละนะอดทนเ้าไว้แต่ส่วนใหญ่ในห้องนี้นสว่างสวยสวยงามนะอ่ะเท่านี้กันนะกราบนรัช ก, การหลวงพ่อค่ะ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 เราหยงภาวนาใช้ได้แล้วล่ะไปภาวนาาแล้วพอจะใสขึ้นบ้างหรือยังคะอันนี้ดูด้วยตัวเองนะใครมีกระจกให้เขายืมหน่อย <c oughs> <c oughs> อย่าว่าแต่จะดูด้วยใจนะหน้ายังเปลี่ยนเลยค่ <c oughs> เคยเห็นแม่หน้าบางคนเราเห็นเราก็กลัวแล้ะไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไบางคนหน้าตาไม่สวยนะแต่ว่ามันผ่องใสมันดูดีขอบคุณนะคะ ของโยมสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องความคิดนะปัญญามันล้ําปัญญามันเยอะไปอย่า ก, กลัวงโง่นะดูซื่อๆไปดูสบายๆ ส, สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดรู้ไปเรื่อยๆแล้วเห็นว่าตุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปปัญญามันก็จะถอยเขแจมแจ้งขึ้นแจมแจ้งขึ้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านจะเห็นย้อนลงมาขณะทพระพุทธเจ้าก็เห็นย้อนลงมานะ จะต้องเห็นจากของหยาบไปหาของละเอียดนะจะเป็นเริ่มต้นจากต้นต่อคืออาวิชาเพื่อจะไปเห็นทุกเนี่ยไม่ได้เพราะอาวิชาละเอียดมากเรนะต้องเห็นตัวทุกทุกเป็นตัวที่หยาบมากนะแล้วก็จะดูจากตัวหยาบไปจะสติปัญญามาละเอียดมันก็จะไปเห็นธรรมที่ละเอียดละเอียดขึ้นเป็นลําดับลําดับนะนะต่อไปกราบนมัมศการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้ก็จะเห็น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 ตอนนี้ที่ปฏิบัติในรูปแบบก็คือสวดมนต์แล้วก็จงกรมดูดูกายดูใจเรใน ว, วันว mm ันเท่าที่นึกได้นะครับราคากสงบลงบ้างปฏิฆาอย่างเยอะอยู่คือราคามีสงบลงบ้างโทสะยังมีเยอะอยู่แล้วก็เป็นมณะตาเยอะตอนนี่ภาวนาที่ความเห็นที่ได้ก็คือว่าความทุกข์ในกายไ ม, ไม่ได้มาจากกายแต่จะมาอยู่ที่ใจ mm hmm. แล้วก็บคัคขก็เห็นเหมว่าตัวใจเองเป็นทุกข์เอง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 อันนี้ยมขออโหสิกรรมก่อนได้ไหมคะขอโหสิกรรมไม่ได้ขอขมาได้หลวงพ่อใหญ่กว่ากรรมไม่ได้ขอขมาหลวงพ่อค่ะกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเด็ดนะหลวงพ่อลับทราบนะค่ะอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยเลยนะคะพ่อกาว่าจะไงก็ต้องดูถูกอีกเนาะเอาเอาได้ใจดีคือเราชอบขออโหสิกรรม โอโหสิกรรมเนี่ยา ก, กรรมที่ให้ผลสําเร็จแล้วมันจะไม่ให้ผลต่อไปเงั้นกรรมเนี่ยมีกรรมต้องมีผลนะยังไงก็ต้องมีผลที่เราขอกันได้เขาเรียกขอขมางขอโทษอะไรย่า ง, ง น, น้นะเป็นการประกาศว่าเราได้ร่วงเกินต่อไปเราจะระวังนะพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นวิธีการที่ดีเป็นเส้นทางในอริยวินัยที่กล้าเปิดเผย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 เห็นเรื่องเปล่าว่าใจเราไม่เหมือนเดิมหนุยงเหรอคะใช่ค่ะนะภาวนานะแล้วค่อยดูไปแยกแยกธาตุแยกขันให้ชำน้ชํนานาญนะดูธาตุดูขันแต่ละขันเขาทํางานของเขานะอย่าไปแทรกแซงขันนะพื้นฐานขี้โมโหไหมขี้โมโหค่ะเออนะเดี๋ยวนี้โมโหกับแตก่อนโมโหก็ต่างกันดูออกไหมดูออกค่ะเออนั่นแหละพัฒนาการนะ่ะ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 ไม่มีความสุขขนาดนี้เราจะรักพระพุทธเจ้านะ mm hmm. ไปพ า, าวนาหลวงพ่อยมถามนะคะ mm hmm. คือตอนนี้วิถารละธรรมของโยมะคะ่ะโยมเปลี่ยนมาเจริญเมตตาถูกต้องหรืเอเปล่าคถูกจเจริญเมตตานะแล้วก็รู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงไปพนะื้นเดิมเราร้ายมากนะร้ายแบบชวดคอได้เลยเพราะฉนั้นเราจเจริญเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะแล้วล่ะ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 อันนี้มันคือการทําสมถะหรือเปล่า อ, อะไรนะมันคือการทําสมถะหรือเปลา <_ t ap> ใช่แต่ต้องทําสมถะเพาต้องทํานะไม่ใช่ว่าห้ามทําแต่ทําด้วยปัญญาอันยิ่งพระเจ้าสอนบอกว่าสิ่งที่ควรทําด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนาเพราะฉนั้นเราต้องทําสมถะให้ใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสงบมีความสุขพอใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสุขความสงบแล้วดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานนะ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 เห็นไหมมีคดูไปที่เบื่อแล้วโยมก็จะออกเลยอะค่ะโยมเบื่อถูกกิเลสหลอกแล้วเห็นไหมว่ามันไม่ได้ว่างจริงมันมีเบื่อนั่นแหละเบื่อนะเป็นสิ่งแปลกปลอมดูต่อค่ะนะดูจนไม่รู้จะดูอะไรแล้วไม่มีอะไรจะดูแล้วหมดเวลาแล้วก็ลุกขึ้นมาดูร่างกายทํางานต่ออ่ะให้คนอื่นบ้างนะคุณผู้ชกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ เ, ออเคยส่งการบ้านเมื่อปีกว่านะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าติดที่กุดกุดจ่าอาหาศความฟุ้งซ่านนะคะก็เลยเออตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองลดลงแล้วแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่อะคะ่ะไม่เป็นไรนะมันดีขึ้นแล้วละ่ะค่ะฟุ้งนี้นิดหน่อยหน่อยเป็นเรื่องธรรมชาติค่ ะ, ะสังเกตใจไหมอห่างบางทีใจมันอยากพูดมันจะมีแรงดันดูออกไหมถ้าดูจิตได้โดยจิตไปนะตอนไหนดูจิตไม่ออกดูไกล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 อย่างเวลาเราตายอาจจะมีเวทนารุนแรงมากเราก็ต้องพยายามฝึกตั้งแต่ตอนนี้แหละฝึกทุกวันทุกวันไปเรยถ้สติสมาธิปัญญามันแก่กล้าถึงเวลาจะตายจริงนะจิตจะถอดออกมาดูกกายตายนะมันจะไม่หวั่นไหวหรอกเป็นอัตโนมัติคพอดีวันที่เกิดเวทนากล้าค่ะจิตมันก็บอกตัวเองว่าวันนี้ยังไม่ตายหรอกอืแต่ก็็อย่างนี้หลวงพ่อบอกค่ะคือมันเข้าไปรวมกันแล้วเกิดโทสะค่ะอืมันจะเป็นโทสะแทน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 ขอบคุณเจา้าค่ะนรัตการหลวงพ่อครับคือที่ผมส่งการบ้านวันเนี้ผมกังวลอยู่อย่างว่าผมแยกธาตุแยกขันได้จริงหรือเปล่าเพราะมีบางครั้งเวล า, าแยกเนี่ยนะมันไม่ได้แยกตลอดเวลานะมันแยกตอนที่จิตมีพลังมากพอเนี่ยบางทีก็รวมบางทีก็แยกแต่บางคนเนี่ยไปล็อกจิตไว้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 เอวิดีโอที่หลวงพ่อเทศแล้วมันรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนกําลังคิดตามที่หลวงพ่อเทศแล้วมันมันสว่างปุ๊บขึ้นมาเอออย่างนั้นแหละดีเด็อกอย่างยี่ชัใช่ใชดี <c oughs> นะให้รู้เอานะครับ <c oughs> รู้เอากิเลสอะไรมีก็รู้เอานะ <c oughs> เราวัดความก้าวหน้าที่กิเลสนะไม่ได้วัดด้วยอย่างอื่นเลย <c oughs> นะครับคราวนี้ขอ อีกคำถามมันเรื่องกิเลสครับมนะีบางครั้งรู้สึกว่าเรารู้ว่าขนาดนั้นะกิเลสกำลังครอบงาเราอยู่อืคือเหมือนกับมันมันไปรู้แล้วก็เดี๋ยวมันก็มาคิดตามต่ออืออย่างนี้ก็อย่าปล่อยให้มันครอบงํำนะให้รู้ทันมันคือเวลาเรารู้ว่ามันครอบงาเนี่ยเราจะไม่ไม่ทําตามมันแต่รู้สึกได้ว่ามันทุกข์อ่ะใช่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 แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้มันก็ไหลไปเลยอย่างเช่นไปด่าเขาเลยด่าตอบอไอยเยอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ <c oughs> นะมีกิเลสก็ได้นะแต่รู้ว่ามีกิเลสถือว่าดีนะใช้ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับคืออย่าปล่อยให้กิเลสครอบจิตไดนะ้ต้องพยายามรักษาจิตใจเราไว้นมัสการค่ะเมื่อเมื่อปาย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 พอเห็นจิตเศร้าหมองปุ๊บจิตอีกรวงหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยแหละคือจิตทุกข์จิตอันนี้เป็นจิตทุกขสัตว์ทุกในอริยสัจหรืเปล่าคะ่ะคือถ้าเห็นตัวจิตเป็นทุกเนี่ยนะอย่างน้อยภูมิธรรมเราต้องถึงอนาคาาแล้วนะตัวนี้เห็นทุกข์ไปก่อนนะถ้าทุกขสัตว์เนี่ยเมื่อไหร่ล้าสมูทัยเมื่อนั้นเลยนะยังไม่ใช่นะแต่ดีที่เห็นจิตเราเศร้าหมองนะ อย่างบางทีเราเห็นเขาทำบาปเราก็เศร้าหมองนะเราสงสารเขาไม่อยากให้เขาทำอย่างเงี้ยอยากจะให้มันเศร้าเขาทำบาปเราเศร้าหมองไม่คุ้มเลยค่ะแล้วแล้วโยมก็ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธินะ่ะโยมก็เห็นเหมือนกับเมฆมันรวมตัวมาแล้วมันก็เหลื อ, อเหลือเหลือเท่าเหรียญบาท อ, อันนี้อันนี้เป็นการจิตรวมหรือเปล่าคะไม่เป็นนิมิตเป็นนิมิตใช่ไหมะคะไม่ใช่จิตรวมใช่ไหมไม่ใช่<ะ>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 ต้องเป็นลำดับนะอย่าข้ามขั้นชกหมวยอย่าข้ามรุ่นฝึกอย่างนี้ดีนะที่คุณฝึกมาหลวงพ่อพอใจอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆแหละปีนี้เป็นปีทองโยมเลยค่ะที่เห็น ส, <ม>สภาวะต่างๆแล้วถามท่าน<ม>หลหนเลยคะ่นะกลาบขอบพระคุณท่านะดีนนะจิตพัฒนาไปอีกดีาการมรดกของหลวงพ่อ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 ที่เราเรียนกรรมฐานนะเพื่อให้จิตได้เรียนรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตนตานะเขาก็กลังสอนธรรมะเราอยู่ถูกต้องแล้วเนี่เด่<ร>๋เราอดทนนะ<ร>ทนเรียนรู้ซ้าแล้วซ้ําอีกจนใจเรายอมรับนะปกติใจของเราแต่ละคนจะดื้อที่สุดเลยโนะดยเฉพาะการจะยอมรับได้ว่าตัวเราไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะเรารักตัวเองที่สุดนั้นกะนะว่าจะยอมได้นะต้องสู้กันนานเหมือนกัน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 กว่าจะแยกขันได้กว่าจะเห็นขันแสดงใจลักษ์นะบางคนเรียนกันทั้งนานบางคนเดือนหนึ่งก็ทำได้ละแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกแต่พอเห็นแล้วต่อไปนี้ mm hmm. เมื่อไรใจจะยอมรับอันนี้แต่ละคนไม่เท่ากัน mm hmm. บางคนที่บารมีมากนะ mm hmm. เคยเจริญสติเจริญปัญญามามากแล้วเนี่ยจิตมันยอมเร็วนะ mm hmm. ก็จะรู้เร็วบางคนก็ต้องใช้เวลานา น, านจิตมันรู้ช้านะ mm hmm.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 เห็น <c oughs> เห็นคเออเห็นร่างกายมันเดินเราไปแค่คนดูเท่านั้นแหละไม่ต้องไปดูจิตหรอกถ้าเห็นร่างกายมันทํางานไ ป, <c oughs> ไปเห็นร่างกายมันไปยักหน้าเห็นร่างกายดู ก, กายไปถ้าดูจิตไม่ออกดู ก, กายเลยนะแล้วแล้วผมควรจะพุโทโธพุโทโธแล้วก็เดินไปหรือว่าวิหารธรรมเป็นยังไงอ่ะคือดูกายไปแล้วนะถ้าเห็นกายได้จะพุโทโธไม่พุทโธไม่สําคัญเนาะละนะเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนให้ยใจออกให้ยใจเข้าเราดูสบายสบาย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 เนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วเนาะใช่ครับไปคิดนั่นแหละพุโทโธไว้ถ้าที่จิตนี้ไปคิดเรารู้อย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ทันจิตใช้ได้นะไม่ใช่ว่าภาวนาไม่เป็นหรอกขอบคุณครับภาวนาได้ดีอยู่พวกเราภาวนาเก่งๆ ก, ก็เยอะนะยกนี้ทางนี้ก็มีอยู่ข้างนอกพองภาวนาดีๆก็หลายคนใช้ได้พวกเราก็ฟังทำกันมาตามสมควรนะครับ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 ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโอวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุ